เป็นตน้นคือในด้านที่เป็นกุศลไม่มีโทษละเอียดและเทียบกับธรรมะที่เขานั้นคือคือความที่ใบหาศัยปรธานะคือความเพียร อิธิบาทอินทริพละตั้งสติกำหนดไว้ในกายเวทนาจิตธรรมย่างที่ตั้งเอาข้อลงมือใจเขาออกเป็นต้น ต, ต้องต้องอาศัยธรรมะเหล่านี้มาประกอบประคองแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมะเหล่านี้มาประกอบประคองเป็นเป็นตัวสติที่ตั้งมกกันงนตนกำหมดกายเวทนาจิตธรรมรูมมันอยู่เป็นก้อนเดียวกันเมือนยังมองดูเก่าอี้ สีข่ขาเห็นทั้งสีข่ขาพร้อมกันแต่ในบางชาวก็มีอารมณ์อื่นมาดึงให้หันไปมองทางโน้นทางนี้เิ่งสติที่มองตัวเอีสีข่ขาในบางคราว ก็ลองกันหนดให้รู้จักว่าเมื่อมีสติอาศัยประธานะเป็นต้นกำหนดดูตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นไปอยู่ ม, มีจติสกำหนดดูอยู่ได้ดังนี้ก็ เ, เป็นกุศลไม่มีโทษประนีตและเหมือนยังทำข่าวแต่เมื่อถูกอาศสวาอนุัสที่อาศัย อารมณ์มากระทบกับอายทรเนะคือเทาวานทั้งหกทำให้ใจเกิดเพื่มจิตไม่อยู่นิ่งตัวลุกลิตไปในรูปบางเสียงบางเป็นต้นที่เขามากระทบนั้นกดทิ้ง เขาอีสี่ขานั้นสติก็กำหนดให้วิจัยว่า น, นั่นเป็นอกุศลมีโทษหยาบและเทียบกับธรร ม, มะที่ดำ จะ อ, อะไรที่มาทำให้เกิดธรรมะที่เป็นอกุศลมีโทษก็จะลึกซึงคำสอนของพระเจ้าในหมวดพยาชนะว่าสายตากับรูปก็เกิดสัญญาตคือความผก ก็ใช้ปัญญาวิจัยว่าความพูกนี่เองเป็นตัวเหตุซึ่งมากระทบจิตทำกิตให้วอกแวกไม่สงบ ความผูกที่เป็นตัวสัญญา์ในเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรเสียงอะไรเป็นต้นในความผูกนี่ก็คือผูกเอาสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นเป็นต้นมาเป็นอารมณ์อยู่ในใจ เมื่อเป็นดังนี้อารมณ์ของสมาธิคือปิประทานนั้นก็จะหลายตัวไปอารมณ์โอารมณ์เสียงก็มาแทนแต่เนง่ยคือตัวความปลกนี้ไม่ใช่มีความหมายว่าปลูกไว้เฉย ท่านจึงมีอธิบายไว้ด้วยว่าแรกกับฉันทราภ ค, คือความพอใความติดอรื่นั้นความพอใจคือความยินดีความรักความชอบถ้าอารมคือรูปผลปูกไว้นั้นเป็นที่ตั้งของ ราคะความติดใจ ย, ยินดีแต่ถ้าอารมณ์ที่ผูกนั้นเป็นที่ตั้งของความยินร้ายไม่ชอบจะให้เกิดความกระทบกระทั่งความโกรธแก้งขัดเคืองความพยายามบัตรซึ่งเป็นความยินร้ายแต่ถ้าอารมณ์ที่ผูกนั้น เป็นกลางๆไม่พอจะให้ยินดีไม่พอจะให้ยินได้ก็เป็นที่ตั้งของความหลงคือไม่สนใจที่จะมากำหนดดูแต่ว่าสยบผิดอยู่จึงไม่รู้จักโทษ เพราะฉะนั้นเมื่อความผูกมาเป็นผูกใจยินดีผูกใจยินร้ายปูกใจให้หลงติดสัญญยกลความตัวความผูกดังนี้ก็ปรากฏเป็นนิวรานขึ้นมาก็าคือนิวรานทั้งห้านั่นเองเป็นการมาฉันความพอใจใกล้ในกาม คือสิ่งที่น่ารักใครปนะ้ปรารถนาพอใจทั้งหลายหรือ ด, ด้วยอำนาจกรรมปริยา บ, าบัติความเป็นอันวันนิวรณ์อันห้านี้ก็มันทำลายสติในสติประฐานอารมณ์อันวันนิวรณ์ถึง ห, งห้านี้มาตั้งอยู่แทน มันบังเกิดเป็นความฟุ้งซ่านไม่สงบทำให้จิตนี่ดิ้นร น, นกวกว้นๆก็สักกระาสเพื่อนั้นก็ต้องมีวิจัยคือให้รู้จักว่าอันนี้แหละเป็นตัวอันตรายของสติ ปฏิบัติจะต้องทำสติเพื่อกัดกั้นความผูกใจในเวลาที่เห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นจะผักว่าสกัดกั้นความผูกใจไม่ได้ก็เกิดมีวนก็ต้องปฏิบัติเพื่อรับมืวอวรก็อาศัยกรรมฐาน จะรวมอยู่ในหมดกายเวทนาจิตธรรมนี่เองมาปฏิบัติเพื่อระ ง, งับนิวรณ์ที่เคยเห็นเก้าอีททั้งสีง่ขาเขาเป็นอันว่าต้องมาดูเป็นขาขาไปอีกเพื่อระ ง, งับนิวรณ์ขาไหนจะระ ง, งับนิวรณข้อไหนก็ใช้ขานั้นอยัองบระงับนิวรณ์ได้ก็หมายความวาระ ง, งับความผูกได้ จึงจะมาเห็นก็กีรวมกันทั้งสี่ขาใหม่และจิตที่ตกติดดินรว่งกวกวันน้ำมะสายก็จะกลับสงบรวมอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นความที่วิจัยธรรมะให้รู้จักธรรมะในจิตทังตัวเองดังนี้จึงเป็นข้อชงข้อที่สอง การที่มือวิจัยรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติอาศัยวิทยาคือความเพียรเป็นโปรดชงข้อที่สามคือเพียรละธรรมะที่เป็นอังกุศลไี่เป็นโทษที่อยากเนี่ยที่เปรียบเหมือนอย่างธรรมะที่ดำนั้นเป็นปหาหนะละละภาวานาคืออบรมธรรมะที่เป็นกุศล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 ก็เริ่มได้ปิติได้สุขในสมาธิและก็จะปรากฏนิมิตของสมาธิบางอย่างเช่นแสงสว่างเป็นต้นและจะได้ปิติได้สุขนี้ซึ่งทำให้จิตนี่ติดได้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 ก็จะได้ปฏจบันทอาศัยปิติสุขนั่นเองคือความสงบกายสงบกิตเป็นสุขสุกนี้เองก็เป็นที่ตั้งของสมาธิจะทํำใหส้สมาธิมั่นคงขึ้นไม่ทําให้ในอุเบกขาคือความที่เขาไปเพ่งเฉยอยู่ในภายในไม่ตกติดออกไปในภายนอกสงบ อ, อยู่ในภายในก็เป็นอุเบกขาตามพุทโธ จึงเป็นพวทชงเจตที่เป็นไปเพื่อความพัทสรูต่อไปนี้ขอให้ตั้งแงงก่ทำงวามสงบสืกต่อไปบัดนี้อยากแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจงอบน้อมละมัสการพระภูมีพระภากพระอรหันตสมมาสมุทธเจ้าพระองค์นั่นตั้งใจถึงพระองค์กรอมทางกระทำและประสงค์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำตมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโทีิปัจจยธรรม เป็นไปในฝ่ายแห่งความปรัสรู้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรวบรวมธรรมะหลายหมวดเข้ามาอยู่ในโพธิ ศิปะคียธรรม น, นี่คือประกอบด้วยสติปัญญาสี่สมประทานสี่อิธิบาทสีอินทรีย์่าพละค่าคดคงเจ็ด เลามัดมีองค์แปดเป็นธรรมะถึงเจ็ดหมวดรวมเป็นสาสิบเจ็ดข้อจิงควรทำฟังเข้าใจว่าธรรมะ เจ็ดโมดสารทุกเจ็ดข้อนี้ลูกพระริเจ้าได้สอนตรัสสอนไวโดยเอกเทศมาแล้วตั้งแต่ในเบื้องตน้นมักมีองค์แปด โอเดตัดแสดงไว้ตั้งแต่ในปฐมเทศนาจือดเทคกั้งแรกอันเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นหนทางกลางต่อมาจึงได้ทรงสแสดงธรรมะ มุ่อื่นๆ้วยเอกเทศเป็นสติปทานสี่อิทธิบาทสี่เป็นต้นและแม่ทรงแสดงไว้โดยเอกเทศ ในการปฏิบัตินั่นก็ปฏิบัติได้ตั้งแต่เบื้องตน้นและรวมเข้าในทางอันเดียวกันซึ่งนำไปสู่ความสิ่งกิเลสในกองทุกข์ด้วยกัน และเมื่อทรงแสดงไวโดวยเอยกเทศแต่ละคราวแต่ละคราวครั้งหนึ่งก็หมดหนึ่งหมดหนึ่งในตอนหลังก็ได้ทรงประมวลธรรมะเจ็ดหมวดสามิเจ็ดข้อนี้เข้ามาเป็น ่อทิบทียธรรมคือเป็นธรรมะที่เป็นไปในปักฝ่ายแห่งความปเป็นสัรูดังกล่าวและก็สามารถกล่าวได้ว่าในทางปฏิบัตินั้น ปฏิบัติแต่สตรีประธานและก็มาสมประธานขธิบัติอินทร์พลละในฐานะนที่ทั้งสี่มุดนี้เป็นอุปการะธรรม ในการปฏิบัติสติปัฏฐานให้สมบูรณ์สติปัฏฐานจึงเลื่อนขึ้นเป็นโพชฌงค์และโพชฌงค์จึงเลื่อนขึ้นเป็นมัคคีองแปดหรือจะทำความพอใจ ว่าทั้งเจ็ดหมดนี้จะยกหมดไหนถึงมาปฏิบัติก็ได้แต่ทั้งหมดนี้ก็จะเรื่องถึงกันทั้งหมดเรื่องอยู่รวมกันอยู่เป็นอันเดียวกัน เป็นธรรมะสามาัคคีความพร้อมเพรียงกันของธรรมะนำไปสู่ความตึงกิเลสและกองทุกข์ได้เช่นเดียวกันหมดและเมื่อ ได้แสดงมาโดยลำดับโดยในยะที่ว่าตั้งสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นหลักปฏิบัติและในการปฏิบัติสติปัฐานทั้งสี่นี้ก็ต้องอาศัยอบรม ให้มีสมระทานเพียงชอบให้มีอิธิบาทให้มีอินทรีย์ให้มีพละตัวที่ประธานนี้จึงจะเลื่อนเป็นโพชงที่เป็นองค์ของวามรัสโร และเมื่อปฏิบัติในโพชทธชงไปจนถึงข้ออุเบกขาคืออุเบกขาโพุทธชงรู้เบืองขาสามพชทธชงก็ น, นำให้ ได้ปฏิบัติเข้าในมรรคไมงองแปดและการปฏิบัติเข้าในมรรคไมงองแปดนี้พระพุทธเจ้าเนิรตรัสเรียนลำดับไว้ ทั้งแปดขอ้อนี้โดยต่อเนื่องกันไปดังที่ได้กลัดไห้ในพระสูตรหนึ่งซึ่งแปลความว่า พระอานนท์ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าความเป็นผูมิกรกัญนาณมิตรความเป็นผู้คล้อยตามกัญยาณมิตรเป็นรมจรย์ ได้ลกลึ่งหนึ่งคือเป็นความประพฤติประเสริฐในพุทธศาสนาได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดหลวงพ่อเจ้าวันเดชจัดแก่พระอนุนว่า ญาณิกกล่าวอย่างนั้นความเป็นภูมิกัญญานมิตรความเป็นภูคล้อยตามกัญญานมิตรจะทำให้ ลมักไม่องแปดให้มันเกิดขึ้นคืออบรมสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปากความดำริชอบสัมมาวาจาเจนจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบ สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเขียนชอบสัมมาสติรดนึชอบสัมมาส ม, มาธิตั้งใจชอบแคนั้น ความเป็นภูมิกัญยาณมิตรคือมิตรที่ดีงามความเป็นภูใคยตามกัญญาณมิตรจึงเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดเป็นพรหมจรรย์กันทั้งสิ้นและก็เลยตัดไว้อีกว่า ทั้งหลายที่มีชาติคือความเกิดเป็นธรรมดามีชราที่มีชรา ความแก่เมือ ง, งะความตายเป็นธรรมดามีโสกะความแห้งใจบริเทวะความร่งคุณใจทุกขะความไม่สบายกายโธมันลักะความไม่สบายใจอุปยายญาตความขับแค้นใจเป็นธรรมดา คือมีทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมดาอาศัยเราคืออาศัยพระพุทธเจ้าอูพระตถาคตเป็นกัลยาณมิตรก็จะพ้นจากชาติความเกิดชราความแก่มรรลความตายทนจากโสกะ ความโศกความแห้งใจปฏิเทว่าความคลั่งรันจุนค้ั่งคุณใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้งใจได้คือจะพ้นทุกข์ได้ดังนี้เมื่ออาศัยพระองค์เป็นกัญญาณมิตรดังนี้ ก็จะปฏิบัติในมัม่งในองแปดคนทุกได้ดันั้นจึงตร่าว่าความเป็นภูมิกัญญาณมิตรมิตรทีด่ดีงามคือพระพุทธเจ้าและเป็นภูใครยตามกัญญาณมิตรคือพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติ ต, ตามคําสองสองของพระองค์ จึงเรียเป็นพร ม, มจรรย์ทั้งหมด